การกระทาภารกิจการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาเพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า ร, รุ่งเรืองผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกัน เรียกว่าอิทธิบาทสอิทธิบาทสแปบลบว่าทางสู่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือทางสู่ความสําเร็จคําว่าอิทธิแปลว่ายิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางทางสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตาม ในทางโลกเช่นถ้าเป็นนักศึกษาอยากจะศึกษาให้สาเร็จปริญญาขั้นต่างๆหรือเป็นนักธุรกิจท ร, รมาค้าขายต้องการประสบความสาเร็จในการท ร, รมาค้าขายหรือนักการเมืองที่ต้องการประสบความสาเร็จในการ เล่นการเมืองหรือในทางธรรมผู้ที่ต้องการบรรลุทำขั้นต่างๆการจะทำให้ความปรารถนาในสิ่งต่างๆนั้นให้เกิดผลขึ้นมาได้นั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสร้างอิทธิบาทสี ขึ้นมาในตนเองอิธิบาทสี่นี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือฉันทะแปลว่าความยินดีที่จะปฏิบัติกระทำงานที่ตนเองต้องการจะทำต้องมีความรักความชอบความยินดีข้อที่สองต้องมีความ อุตสาหะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรมีความภาคเพียรเรียกว่าวิริยะข้อที่สามเรียกว่าจิตตะคือต้องมีจิตใจที่จดจอ่ออยู่กับหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวไม่สนใจกับการไปทำอะไรต่างๆอย่างอื่น เช่นไปเที่ยวไปเล่นจะมีใจตั้งมั่นจดจอ่ออยู่กับภารกิจการงานที่ต้องทำและสี่ต้องมีวิมังสาวิมังสาแปลว่าการพิจารณาไข้ควรเกี่ยวกับเรื่องภารกิจการงานของตนนั่นเองใจจะคิดแต่เรื่องงานเรื่องการ คิดว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาถ้ามีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ต้องพิจารณาหาวิธีกาจัดอุปสรรคต่างๆนั้นให้หมดไปให้ได้ใครก็ตามถ้าสามารถสร้างอิทธิบาสีขึ้นมาในใจของตนได้ก็จะสามารถทำอะไรต่างๆ ให้สำเร็จรู้เรื่องไปได้อย่างง่ายดายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามผู้ที่ต้องการประสบกับความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนจึงควรที่จะสร้างฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาขึ้นมาภายในใจวิธีที่จะสร้าง ฉันทะข้อที่หนึ่งคือความยินดีกับหน้าที่การงานของตนก็ต้องศึกษาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนนั่นเองเช่นเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากที่ได้เรียนจบแล้วเช่นได้จบปริญญาขั้นต่างๆ พอเวลาที่จบปริญญาแล้วก็จะมีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการท ร, รมหารรมหากินเลี้ยงชีพได้ยิ่งได้ปริญญาสูงขึ้นก็จะได้งานที่มีรายได้ดีมากขึ้นไปตามลำดับการที่เราจะมีความยินดีกระทำหน้าที่ของเรา ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะยินดีกับการราบเรียนหนังสือยินดีกับการไปโรงเรียนยินดีกับการเข้าห้องเรียนฟังคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์ยินดีกับการกระทำการบ้านต่างๆยินดีกับการดูหนังสือเตรียมสอบต่างๆเพราะว่า ถ้าไม่กระทาก็จะไม่ได้รับผลที่ต้องการถ้าเรียนไม่จบปริญญาเวลาจะไปหางานทำก็หางานที่รายได้ไม่ดีนี่คือทางโลกเราต้องมองถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของเราว่าเราจะได้รับอะไร ถ้าเรารู้ว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ให้ความสุขกับชีวิตของเรามันก็จะทำให้เรามีฉันทะมีความยินดีที่จะกระทำหน้าที่ของเราให้สุดกำลังเมื่อเรามีความยินดีแล้วคุณธรรมข้อที่สองคือวิริยะความขยันหมั่นเพียร ก็จะตามมาเพราะเมื่อเราชอบทำอะไรแล้วเราก็จะขยันทำถ้าเราไม่ชอบเราจะขี้เกียจทำเราจะไม่อยากทำแต่ถ้าเราชอบงานที่เราทำอยู่เราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำอย่างสุดกำลังแล้วใจของเราก็จะมีแต่ ความจดจอ่ออยู่กับงานของเราเพียงอย่างเดียวจะไม่สนใจกับการไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะรู้ว่าถ้าไม่จดจอ่ออยู่กับการงานของตนการงานก็อาจจะไม่สำเร็จขึ้นมาก็ได้ถ้ามัวไปทะเะลถลไยไปทำอะไรอย่างอื่นเช่นไปเที่ยวไปเล่นแทนที่จะดูหนังสือทำการบ้าน เัง น, นผู้ที่มีฉันทะมีวิริยะแล้วใจจะมีจิตตะมีการจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานของตนและจะมีสี่คือวิมังสาใจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของตนคิดถึงการที่จะทำให้เกิดผลสาเร็จขึ้นมาว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง ถ้ามีอุปสรรคที่ขัดขวางเรือกขวางกัน้นความสำเร็จก็ต้องคิดพิจารณาหาวิธีกำจัดอุปสรรคต่างๆให้หมดไปเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไปนั่นเองนี่คืออิทธิบาสีทางสู่ความยิ่งใหญ่หรือทางสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นไปในทางโลกหรือในทางธรรมก็ตามในทางธรรมเราก็ต้องมีอิธิบาทสีถ้าเรามีความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจำเป็นที่จะต้องมีฉันทะวิริยะจิตติมังสามีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติอย่างสุดกำลัง มีจิตตะมีใจที่จดจอ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมไม่สนใจกับการกระทาอะไรอย่างอื่นและมีจิตใจที่คิดค่ายควรพิจารณารมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ทมที่ต้องการนั้นปรากฏผลขึ้นมานี่แหละคือ สิ่งที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติทำตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์บุคคลต่างๆเหล่านี้ต้องมีอิทธิบาทสี ซึ่งเป็นเหมือนพลังขับเคลื่อนจิตใจให้ไปสู่ความสำเร็จถ้าไม่มีอิทธิบาทศีแล้วก็จะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติก็จะไม่มาวัดไม่ฟังเทศฟังธรรม ไม่อ่านหนังสือธรรมะพอไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลอะไรบ้างผลขั้นต่างๆนั้นเป็นอย่างไรจะเมื่อไม่รู้ว่าจะได้ผลอะไรจากการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติ เมื่อไม่มีความยินดีก็จะไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีใจที่จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่มีวิมังสาความคิดไข้ควรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติดังนั้นผู้ที่จะมีอิทธิบาทสี่ขึ้นมาได้จาเป็นที่จะต้องสร้างฉันทะขึ้นมาก่อนคือความยินดี ต่อการปฏิบัติธรรมการที่เราจะยินดีปฏิบัติธรรมเราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับผลอะไรกันบ้างผลของพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับ ที่เรียกว่าโลกิยะกับระดับโลกุตตระระดับโลกิยะนี้เป็นระดับที่ยังต้องติดอยู่ในวัตถะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติคือในภพที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์เช่นเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์ของเทวดา ของพรมพทั้งหลายนี่เป็นภพที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดในทุกขติทุกที่มีภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขคือภพของอบายสีด้วยกันคือเดลฉานเปรตอสุลกายและนรก นี่เป็นผลระดับโลกี้ระดับต้นผู้ปฏิบัติเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามก็จะได้เข้าสู่ในระดับของสุขคติตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่ต้องเสื่อมกลับลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาปฏิบัติ ต่อเคยทำอะไรไว้ที่ทำให้ไปเกิดในสุขติก็จะกลับมาทำต่อก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุขติแต่จะไม่สามารถหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าอยากที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องปฏิบัติระดับที่สูง กว่าระดับของโลกียะที่เรียกว่าระดับโล ก, กุตระโล ก, กุตระก็คืออยู่เหนือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องปฏิบัติทำขั้นโล ก, กุตระธรรมธรรมที่จะพาให้จิตใจนั้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็คือระดับมรรคผลนิพพานนี่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือระดับของพระอริยบุคคลสี่ระดับด้วยกันคือระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ผู้ที่ได้เข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลจะสามารถตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิด ให้น้อยลงไปและหมดสิ้นไปได้ตามระดับของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันก็จะตัดการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพของมนุษย์ได้ไม่เหลือไม่เกินเจยดชาติเป็นอย่างมากพระโสดาบันนี้ถ้าตายไปก่อนที่จะถึงพระนิพพาน ก็จะต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและจะไม่ต้องไปเกิดในอบายพระอริยบุคคลทุกระดับนี้สามารถปิดประตูของอบายได้ไม่ต้องไปชดใช้กรรมที่เคยทำมาในอติชาติพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไป ไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกแต่ยังต้องกลับมาเกิดในกามาพบคือพบของมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติจะดุดพ้นไปถึงพระนิพพานได้ ถ้าขึ้นสู่ขั้นที่สองได้คือข่านพระสกิดาคามีก็จะตัดภพชาติของการกลับมาเกิดในการมาพบให้เหลือหนึ่งภพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะบรรลุ ข, ขึ้นสู่ธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปพอได้ขั้นที่สามขั้นพระอนาคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมพอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ยังต้องไปเกิดในพรหมโลกเกิดในภพที่เรียกว่ารูปภพหรืออรูปภพนี่คือที่ไปของพระอนาคามีแต่ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในร่างของมนุษย์อีกต่อไปแล้วก็จะสามารถปฏิบัติจนบรรลุถึงขั้นที่สี่ได้ตามลำดับต่อไปคือขั้นของพระอาหารหันต์พอได้ขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์จะไม่มีการกลับมาเกิดในใพบอีกต่อไปคือ การมาพบรูปพบและอรูปพบจะไม่มีอยู่ในจิตใจของผู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จิตใจของพระอรหันต์ก็จะอยู่ในพระนิพพานแทนพระนิพพานกับสังสารวัฏนี้เป็นคนละคนละขั้วกัน จิตใจที่บรรลุไป็นพร า, ารหันต์ก็จะอยู่ในพระนิพพานจะไม่อยู่ในสังสารวัฏจิตใจที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพาาระอรหันต์แม้จะเป็นพระอาริยขั้นที่หนึ่งที่สองและที่สก็ตามก็ยังติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่แต่ติดแบบที่จะหลุดพ้นตามลําดับต่อไป ไม่ติดอย่างถาวรแบบปุถุชนแบบผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกียะผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกียะคือติดอยู่ในภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมตรกนี้จะติดอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงจะเส้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อได้ยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตตะธรธรม การปฏิบัติที่จะพาให้ขึ้นสู่ระดับโลกุตละธรรมได้ก็ต้องเป็นธรรมที่ตัดสรู้โดยพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสัรู้โลกุตละธรรมจะไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะปฏิบัติโลกุตระธรรมเพื่อยกจิตให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ น, นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษากันศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้ว่าผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีอะไรอย่างไรบ้างแล้วพอเรารู้ว่าเราจะได้ผลต่างๆมันก็จะทำให้เราเกิดมี ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมามีอิทธิบาทสีขึ้นมาเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าถ้าได้จบระดับปริญญาตรีเวลาไปทํางานจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบระดับปริญญาโทจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าจบปริญญาเอกจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ จะเห็นความแตกต่างของรายได้ที่จะได้จากการจบปริญญาขั้นต่างๆเ mm. มื่อเห็นว่ารายได้นั้นจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับปริญญา mm. ผู้ที่อยากจะได้รายได้มากก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาเพื่อให้จบระดับปริญญาที่สูงมาก พอรู้ว่าเมื่อจบปริญญาที่สูงมากก็จะได้เงินเดือนได้รายได้มากนั่นเองฉันใดการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับการเป็นนักเรียนนักศึกษานี่เองถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนได้จิตใจก็จะได้รับความสุขความเจริญ ไปตามลำดับของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมก็มีหลายระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือระดับของการปิดประตูอบายถ้าจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าตายไปแล้วถ้าไม่อยากให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรก เราจําเป็นที่จะต้องทำอะไรกันบ้างถ้าเราไม่มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าการไปอบายนี้ไปอย่างไรแต่พอเรามาศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าการที่จิตใจของมนุษย์ที่ตายไปนั้นที่ต้องไปเกิดในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย หรือไปตกน้ลงนั้นไปเพราะอะไรเหตุที่พาให้จิตใจไปเกิดในอบายตามหลักพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการกระทำบาปต่างๆและการเสพอบายมุกต่างๆนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงถ้าไม่อยากที่จะไปเกิดในอบาย ต้องหยุดการกระทำบาปและการเสพอบายมุกต่างๆเพราะการเสพอบายมุกนี้เป็นตัวผลักดันให้จิตใจไปกระทำบาปต่อไปนั่นเองการเสพอบายมุกนี้ไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์มีแต่รายจ่ายมีแต่เสียผลประโยชน์เช่นการดื่มสุราก็จะเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วจะทำให้ผู้ที่ดื่มโุรามึนเมาแล้วจะไปทำบาปได้ง่ายกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มสรุราเพราะเวลาดื่มโุราแล้วจะไม่มีสติคอยควบคุมบังคับการกระทำทางวาจาและทางร่างกายนั่นเองพอคิดจะทำอะไรไม่ดีก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งไว้เหมือนรถที่ไม่มีเบรก รถที่ไม่มีเบรกพอจะไปชนกับรถคันอื่นก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาหยุดได้เพราะไม่มีเบรกก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นก็จะไปเกิดอุบัติเหตุไปเกิดความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและร่างกายต่อไปแต่ถ้ามีเบรกมีสติพอรู้ว่าจะไปทำอะไรที่เสียหายก็หยุดได้ ถ้ามีถ้าเป็นรถยนต์พอรู้ว่าจะไปชนท้ายรถของคันอื่นถ้ามีเบรกเราก็เหยียบเบรกทันทีพอเหยียบเบรกรถก็จะหยุดก็จะไม่ไปชนท้ายรถคันอื่นนี่คืออบายามุก ค, คือสุรายาเมาการดื่มสลาเองนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำบาปเป็นเพียงแต่ผู้สนับส น, นุนให้การกระทำบาปเกิดขึ้นมาได้ง่ายได้ ยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้ดื่มสุรานั่นเองพระพุทธเจ้าเลยรวมไว้ในศีลห้าผู้ที่ต้องการที่จะหยุดการกระทำบาบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ที่จะรู้ว่ากำลังจะไปทำบาปข้อไหนบ้างถ้าไม่มีสตินี้จะไม่รู้สึกตัวดูรู้ก็รู้แบบ ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้พออยากจะทำบาปข้อใดข้อหนึ่งก็จะทำไปทันทีจึงต้องห้ามเดิมสุรายาเมาสุรานี้อยู่ในกลุ่มของอบายอมุกนอกจากสุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตะทั้งกลางวันและกลางคืนการ คบคนที่ชอบอบายยมุขเป็นมิตรและความเกียดคา้านนี่คืออบายยมุขห้าข้อด้วยกันคำว่าอบายยมุขก็แปลว่าทางประตูเข้าอบายนั่นเองคำว่ามุขก็แปลว่าประตูทางเข้าอบายก็คือสถานสี่สถานคือเดรัจฉานเปตอสูรละกายและนรกนั่นเอง ผู้ที่เสพอบายอมุกก็เป็นผู้ที่กำลังยืนอยู่ที่ทางเข้าอบายคนที่อยู่ใกล้ทางเข้าอบายย่อมเข้าง่ายกว่าคนที่อยู่ไกลจากทางเข้าอบายอันนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าไม่อยากไปอบายอย่าเสพอบายอมุกอย่าเดิมสุรายาเมาอย่าเล่นการพนัน อย่าคบอย่าเที่ยวเตะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามอย่าคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอย่ามีความเกลียดการเพราะการกระทำเหล่านี้จะส่งเสริมให้ไปทำบาปได้ง่ายนั่นเองเพราะว่าการเสพอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเสพอบายามุขอยู่เรื่อย ไม่ช้าก็เห็วเงินทองก็จะไม่พอใช้พอไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจลิตเพราะไม่ได้ทำงานทำการหรือทำก็น้อยเงินทองไม่พอใช้ก็จะต้องเสริมหาหาไรายได้เสริมด้วยการไปกระทำบาปเพราะเป็นวิธีหาเงินที่ง่ายและรวดเร็วได้ได้มากๆเช่นการไปช่อโกงไปทำการคอร์รัปชันต่างๆ นี่ก็เป็นการกระทาผิดศีลอธินาดานะเวรมณีคือการรักทรัพย์ของผู้อื่นแ ล, ล้การรักทรัพย์ของผู้อื่นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดการฆ่าผู้อื่นได้ถ้าเราไปรักทรัพย์แล้วผู้เจ้าของทรัพย์เขาต่อสู้เราก็อาจจะต้องสู้กับเขา และอาจจะพลาดไปฆ่าเขาได้ถึงแม้จะไม่มีเจตนาเช่นไปป้นร้านทองเจ้าของร้านทองมีปืนก็ต่อสู้กันก็อาจจะฆ่าเจ้าของร้านขายทองได้อันนี้เป็นเพราะว่าเงินทองไม่พอใช้แล้วก็ขี้เกียจทํางานทําการคนที่เสพอบายามุกนี้จะไม่ชอบทํางาน ชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเล่นการพนันชอบเดิมโซราชอบเที่ยวเตะจะไม่ชอบทํางานจะมีความเกียจคร้านก็จะไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหันไปหาเงินทองด้วยวิธีการด้วยวิการกระทําบาปถ้าไม่ปนไม่จีก็โกหกหลอกลวงหลอกลวงเอาเงินทองของผู้อื่นมาใช้ แต่ไม่มีเจตนาที่จะคืนเงินทองให้เขาไปเ mm hmm. พราะไม่มีเงินทองที่จะคืนเพราะจะเอาเงินทองมาใช้กับอบายามุกอยู่เรื่อยๆนั่นเอง mm hmm. การครบกับคนที่ชอบอบายามุกก็ไม่ควรเพราะถ้าชอบคบกับคนที่ชอบดื่มโุราเวลาเขาอยากจะดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราด้วย เวลาเขาอยากจะเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเวลาเขาอยากจะเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวฉนั้นอย่าไปคบคนที่ชอบอบาอยามุขเป็นมิตรเพราะจะดึงให้เราตกต่ำนั่นเองอย่าไปเสียดายมิตรแบบนี้มิตรแบบนี้เป็นศัตรตูในคราบของมิตรเพราะว่าไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นมีแต่ จะดึงให้เราลงต่ำนั่นเองไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะชวนเราไปป้นไปจี้ร้านค้าต่างๆเพราะเมื่อไม่มีเงินทองพอใช้ก็จะชวนกันไปทำบาปด้วยกันนี้คือการกระทำตามคำสั่งคำสอนในเบื้องต้นข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปิดประตูบายกัน ถ้าเราไม่ไปอยู่ใกล้ประตูทางเข้าเหมือนก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราไม่กระทาบาปที่เป็นตัวที่จะจุดให้เราเข้าไปในอบายก็เหมือนกับเราได้ปิดประตูอบายอย่างนั้นขอให้เรามารักษาศีลห้ากันให้ได้รักษากันแบบจริงจังอย่าไปรักษาแบบเป็นพิธีกรรม เช่นวันไหนไปวัดไปทำบุญก่อนจะมีการทำบุญก็จะมีการอาราธนาศีลห้ากันอันนี้เป็นการกระทาแบบพิธีการกระทาจริงๆการรักษาศีลจริงๆนี่ต้องรักษาทุกเวลานาทีไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่ไปทำบุญไปทำพิธีกรรมทางาศาสนาถึงค่อยมาอาราธนาศีล มาขอศีนกันความจริงการขอสีนีน้ควรจะขอเพียงครั้งเดียวก็พอขอแล้วก็รักษาไว้ไปตลอดไม่ใช่ขอวันนี้แล้วเดี๋ยวพอวันนี้ผ่านไปก็ไม่รักษาพอโอกาสหน้ามาทําบุญที่วัดใหม่ก็ค่อยมาขอใหม่ถ้าขอแบบนี้รับรองได้ว่าปิดประตูาบายไม่ได้เพราะไม่รักษาศีลอย่างต่อเนื่องนั่นเอง การที่จะปิดประตูบายการที่จะไปไม่ต้องไปเกิดในอบายจําเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งเป็นนิสัยที่เรียกก็เป็นนิจศินรักษาเป็นปกติรักษาทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตอนตื่นขึ้นมาจนหลับไม่ควรกระทําบาปห้าประการไม่ควรไปเสพอบายอมุกห้าข้อด้วยกันแล้วรับรองได้ว่า จิตใจจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายนี่คือข้อที่1ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนในระดับโลเกียก่อนที่เราจะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้เราต้องทำระดับต่ำก่อนเพราะมันง่ายกว่าระดับสูงนั่นเองข้อที่สองถ้าเราอยากเวลาตายไปแล้ว ไม่ไปเกิดในอบายแต่อยากจะไปเกิดในสวรรค์เราก็ต้องทําเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือทาบุญทาทานนอกจากรักษาสีห้าแล้วเราก็ต้องหมั่นทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆแท น, นที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆให้เอาเงินทองเหล่านี้มาทาบุญทาทานจะเป็นประโยชน์มากกว่า เพราะว่าจะทำให้จิตใจยกระดับจิตขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทวดาถ้าเอาเงินไปซื้อตามความอยากต่างๆมันไม่ได้ส่งเสริมให้จิตใจพัฒนาสูงขึ้นจากระดับของมนุษย์ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาได้ถ้าอยากถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ ได้อย่างมากก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสามารถรักษาสี่ห้าได้ตลอดเวลาแต่ถ้าได้ทำบุญก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆตามกําลังของบุญที่เราได้ทำไว้ทำบุญมากก็ได้เป็นเทวดาที่สูงมาก เทวดานี้แบ่งเป็นระดับระดับของเทวดานี้ก็วัดอยู่ที่ความสุขนั่นเองระดับที่สูงก็จะมีความสุขมากระดับที่ต่ำก็จะมีความสุขน้อย <Yeah. S 1> การจะไปสู่ระดับสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ปริมาณของการทาบุญทาทานของเราว่าเราทำมากหรือทำน้อย <Yeah. S 1> ถ้าทำน้อยก็จะมีความสุขน้อยเป็นเทวดา ระดับต่ำถ้าทำบุญมากก็จะมีความสุขมากก็จะเป็นเทวดาระดับสูงแล้วนอกจากระดับของเทวดาแล้วยังมีระดับของพรหมที่มีความสุขมากกว่าระดับของเทวดาด้วยถ้าอยากจะไปรับความสุขที่มากกว่าระดับของเทวดาผู้ปฏิบัติก็จาเป็นที่จะต้อง มีการเพิ่มการปฏิบัติเปลี่ยนการปฏิบัติจากการทำบุญทำทานมาเป็นการฝึกสมถาภาวนาฝึกนั่งสมาธิการที่จะมาฝึกนั่งสมาธิได้ก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้เป็นศีลแปเพราะการถือศีลแปนี้จะทำให้ช่วย ให้จิตใจได้มีเวลามาปฏิบัติสมถะภาวนาะคือการทาใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธินั่นเองเพราะถ้าถือศีลห้านี้ศีลห้าไม่ได้ห้ามให้ไปทำกิจกรรมอื่นๆเช่นไม่ห้ามให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ห้ามให้ในเรื่องของการรับประทานอาหารจะรับประทานกี่ครั้งกี่หน ก็ทําได้ตลอดเวลาจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ไปได้ไปงานเลี้ยงต่างๆก็ไปได้จะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามอย่างไรก็ทําได้จะนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกงหนาๆก็ทำก็ทําได้แต่การกระทาเหล่านี้มันจะทําให้ไม่มีเวลาไปปฏิบัติทำขั้นสูงคือขั้นภาวนานี้เอ ไม่มีเวลาที่จะไปเจริญสติที่เป็นเหตุที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้ไม่มีเวลาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิกันผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมนี้จำเป็นจะต้องทำจิตใจให้สงบให้ได้ทำจิตใจให้เป็นฌานระดับต่างๆ ฌานมีอยู่แปดระดับด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเรียกว่ารูปฌานส่วนที่สองเรียกว่าอารูปฌานรูปฌานก็มีความสงบน้อยกว่าอารูปฌานความสุขของรูปฌานก็จะน้อยกว่าความสุขของอรูปฌานความสุขของรูปฌานนี้ก็มากกว่าความสุขของเทวของเทวโลก ถ้าต้องการความสุขมากกว่าความสุขของเทวดาก็จะต้องมารักษาสีมแปดกันแล้วก็มาหัดเจริญส ม, มถทภาวนาหัดเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติให้มีสติสัมปะชัญญะคอยรักษาควบคุมจิตใจไม่ให้คิดด้วยเปื่อยให้หยุดความคิดต่างๆให้ได้ ถ้าหยุดความคิดต่างๆได้จิตก็จะเข้าสู่ฌานระดับต่างๆ ต, ต, ต, ต, ต่อไปนี่คือขั้นสูงสุดของของระดับโลกิยาคือระดับพรห ม, มโลกที่พระพุทธจเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะได้พบกับความสุขระดับสูงสุดของของโลกิยาก็ให้ไปถือศีลแปดที่วัดกัน แล้วก็ไปหัดจเจริญสมาธิจเจริญสติกันหัดเดินจงกรมการเดินจงกรมก็เป็นการฝึกสติสร้างสติขึ้นมาพอเวลาเดินจงกรมเราจะควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะบังคับให้อยู่กับการเดินหรือการบริกรรมพุทโธอย่างใดอย่างหนึ่งเดินไปกับเดินไปเดินมาในทางจงกรม ซี่มีระยะประมาณยี่สิบเก้าขึ้นไปถ้าสั้นกว่า น, นั้นมันจะเวียนศีสษะเวลาเดินก็ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดึงให้มาอยู่กับการเดินก็ได้หรืออยู่กับคำบริกรรมพุทธโธก็ได้เดินไปถ้าเดินถ้าดูเท้าก็ดูว่ากำลังก้าวเท้าเท้าอันไหน กำลังก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาให้อยู่กับการเดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กลับมาอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือถ้าอยากจะใช้คำบิกรรมแทนซ้ายขวาก็ได้ เดินไปก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปต้องมีอะไรคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงจะเรียกว่ามีสติถ้าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปือ่อคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้อย่างนี้เดินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการเดินนี้เพื่อเดินเพื่อให้มีสติ เพื่อที่จะได้มาใช้กับการนั่งสมาธิต่อไปพอถ้าไม่มีสติเวลามานั่งสมาธิจะนั่งไม่ได้จะทนไม่ไหวจะทนกับความรู้สึกอึดอัดต่างๆขึ้นมาไม่ได้พอให้นั่งเฉยๆแป๊บนี้ใจจะเก่งขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมบังคับให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธหรือให้อยู่ ก, กับการดูลมหายใจเข้าออก ใจก็จะเพลิดเพลินกับการเจริญสติเพลิดเพลินกับการบริกรรมพุทโธ mm hmm. เพลิดเพลินกับการ mm hmm. การดูลมหายใจเข้าออก mm hmm. อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ mm hmm. เข้าสู่ฌานระดับต่างๆได้ คำว่าสมาธิก็คือความนิ่งสงบที่มีหลายระดับด้วยกันแบ่งเป็นฌานขั้นต่างๆสมาธินี่เป็นคำรวมของของความสงบความสงบมีระดับรูปฌปานกับอรูปฌปานรูปฌปานก็มีสี่ระดับอรูปฌานก็มีสี่ระดับรวมเป็นแดระดับด้วยกันนี่คือความสงบขั้นต่างๆ ผู้ที่ได้ความสงบขั้นในเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นพรมขั้นนั้นพรมก็แบ่งเป็นแปดระดับด้วยกันมีความสงบไม่เท่ากันมีความสุขไม่เท่ากันผู้ที่ได้สมาธิแล้วนี้เวลาตายไปก็จิตใจก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพถ้าได้รูปฌปานก็จะไปเกิดในรูปภพเป็นรู ป, ปพรพม ถ้าได้อารูปฌานก็ไปเกิดในอารูปภพได้ได้เป็นอารูปป ร, รมแต่การไปเป็นพรหมนี้ก็จะมีวันสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่พาให้จิตไปสู่ระดับนั้นคือสติจะหมดกำลังต่อไปสติเมื่อเราไม่ได้เจริญอยู่เรื่อยๆมันก็จะหมดกำลังได้ เหมือนตอนที่เวลานั่งสมาธิเวลานั่งเราจเจริญสติด้วยการดูลมด้วยการบริกรรมพุทธโธพอจิตเข้าสู่ความสงบเราก็หยุดการจเจริญสติจิตก็จะอยู่ในความสงบได้สักระยะหนึ่งพอกําลังของสติอ่อนลงจิตก็จะถูกกิเลสตัณหาผลักดันให้ออกมาจากสมาธิถ้าอยากจะกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ก็ต้องเจริญสติใหม่ต้องพุโทโธใหม่ต้องดูลมหายใจใหม่ถึงจะกลับเข้าไปได้อันนี้คืออ น, นิจจังเป็นความไม่ที่จีรังถาวรของสมาธิสมา ธ, มาธิมีเจริญได้มีเสื่อมได้การไปเกิดในพรมโลกก็มีการเสื่อมได้พอไปเกิดอยู่ในพรมโลกพอกำลังของ สติที่ส่งไปนั้นหมดกาลังกิเลสก็จะดึงจิตให้ลงมาเสพความสุขของเทวดาเสพ ร, รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพกิเลสคือตันหากามะตันหาความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็นเสียงทิปรูปทิพหรือเป็นรูปหยาบเสียงหยาบที่เรามนุษย์ด้วยกันเสพกันพอเสพความสุขของเทวดาหมดไป ก็จะดึงลงมาให้มาเสพความสุขของมนุษย์ต่อไปก็จะพาให้มาเกิดมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต่อไปทุกขกับการกินอยู่ทุกข์อยู่กับทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆทุกข์กับภัยอันตรายต่างๆพอมีการเกิดแล้วจะต้องมาเจอทุกข์ต่างๆอย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้ นี่คือระดับโลกียะขั้นสูงสุดก็ได้จากการฝึกสติเจริญสมาธิถ้าอยากจะให้จิตที่ได้ระดับพรมโลกแล้วไม่เสื่อมลงมาให้อยู่ต่อไปอย่างถาวรก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติทำอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมนี่คืออะไรก็คือวิปัสสนาภาวนา หรือการเจริญปัญญานี่เองวิปัสสนาแปลว่าการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอะไรรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมต่างๆที่จิตมาสัมผัสรับรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรธรรมหรือนา ม, มาธรรมล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นต้องเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อม ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อมพอเกิดการเสื่อมขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถสั่งสภาวะธรรมทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ให้อยู่ภายใต้คำต้องการของเราเช่นเราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็เลยทุกข์กับมันแต่ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเป็นอนิจจังเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเท่านั้นปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายพอเราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายเราก็จะไม่อยากจะมีร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรารู้ว่าการมีร่างกายมันเป็นทุกข์นั่นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่คือวิธีหยุดความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่ฉุดรางให้จิตใจต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเที่ยงได้นั่นเองมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเจริญมีการเสื่อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรู ป, ปรธรรมืนามธรรมก็ตามรู ป, ปรธรรมก็คือร่างกายหรือวัตถุเข้าของต่างๆที่เรามีอยู่กันในขณะ น, นี้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการพัดภาคจากเราไปต่อไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไป ร่างกายพอตายเขาก็เอาไปเผากลายเป็นดินน้ำนมไฟไปทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปมีที่ดินกี่ไร่มีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีแก้วแหวนเงินทองมากน้อยเพียงไรกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้เลยนอกจากบุญหรือบาปที่เราทากันไว้ในขณะนี้เท่านั้นเอง ที่เราจะเอาติดตัวไปที่จะเป็นผู้ที่จะชี้ให้เราไปในทิศทางไหนถ้าเราเอาบาปไปหรือเรามีบาปมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปทางอบายพาให้เราไปเกิดในอบายกันไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกกันถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปติดตัวไป บุญก็จะดึงให้เราไปเป็นอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพบ้างชั้นพรหมบ้างแล้วถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายลักษณ์เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากกิเลสตัณหาแล้วเราสามารถดับกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ไม่กระทําตามกิเลสตัณหา อยากได้อะไรก็ไม่ทำตามอยากเป็นอะไรก็ไม่ทำตามอยากเสพอะไรก็ไม่เสพตามถ้าสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจก็จะไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลตามลาดับของการกำจัดความอยากต่างๆ้ามกำจัดความอยากได้ส่วนที่หนึ่งก็ได้เป็นพระโสดาบัน ถ้ากำจัดส่วนที่สองได้ก็เป็นพระสกิฎาคามีถ้ากำจัดความอยากส่วนที่สามได้ก็เป็นพระอนาคามีถ้ากำจัดส่วนที่สี่ได้ก็เป็นพระอรหันต์พอกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะอยู่ที่พระนิพพานที่พระนิพพานก็ค er ือท um ี่ที่ ที่อยู่ของจิตใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเหมือนเราเปลี่ยนย้ายบ้านย้ายสถานที่เราอยู่บ้านนี้มันมีแต่เรื่องมีแต่เรามีแต่ปัญหาเราไปสร้างบ้านใหม่ไปอยู่ที่ที่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาใจของเราก็เป็นแบบนั้นโลกที่เราอยู่กันขณะ น, นี้เป็นโลกที่มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเจริญมีการเสื่อมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องทุกกับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ต้องทุกกับเรื่องนี้ทุกไปจนวันตายแล้วยังไม่พอตายแล้วยังกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะยั ง, งโง่ยังไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้มไม่มาเกิดนั้นทำอย่างไรถ้ามาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ในระดับวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะทาให้ไม่กลับมาเกิดได้ แต่ยังปฏิบัติในระดับโลกียะอยู่เช่นทำบุญทำทานรักษาศีลห้านั่งสมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะย้ายที่อยู่ได้ไม่ยังต้องอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องขึ้นสู่ระดับวิปัสสนาให้ได้ต้องมีความสามารถที่จะสอนใจให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ขณะนี้ที่เรายึดติดอยู่ที่เราหวังให้ความสุขกับเรานี้ความจริงมันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองนี่ของเหล่านี้มันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเดี๋ยวมันจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมด เดี๋ยวมันจะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็จะอย่าไปยึดอย่าไปติดมันอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันปล่อยให้มันอยู่ตามสภาพของมันถ้าเราไม่พึ่งร่างกายเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับร่างกายเวลามันเสื่อมถ้าเราไม่พึ่งเงินทองเวลามันไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่พึ่งยศถาบรรดาศักดิ์เวลาไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่พึ่งสรรเสริญเวลาไม่มีใครสรรเสริญเราก็จะไม่ทุกข์นะนี่คือวิธีของการที่จะยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับโล ก, กุตตระให้ย้ายที่อยู่จากวัฏสงสารไปอยู่ที่พระนิพพานแทนพระนิพพานสรุปก็คือบ้านใหม่ของเรานั่นเองบ้านเก่าของเราคือวัฏสงสารหรือ ส, สังสารวัฏ ภพของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏก็มีสามภพเรียกว่าไตรยภพกามภพรูปภพอรูปภพกามภพก็คือที่อยู่ของผู้ที่ยังเสพกามอย่างพวกเรานี้กามภพนี้แบ่งเป็นสองสิสุขกติกับทุกขกติสุขกติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆของเทวดา อบายทุ ก, กติก็คืออบายสี่เดะชะฉานเปรตอาศุลกายนรกมนุษย์นี่อยู่ระหว่างกลางระหว่างสุกติกับทุ ก, กติมนุษย์นี่มีความสุขมีความทุกข้าห้าสิบห้าสิบถ้าสุกติเผื่อพวกเทวดาจะมีสุขมากกว่าทุกขถ้าอบายจะมีความทุกข์มากกว่าสุขเช่นเดะชะฉานนี้จะมีความทุกข์มากกว่ามนุษย์จะมีความสุขน้อยกว่ามนุษย์ แต่มนุษย์นี้จะมีความสุขน้อยกว่าเทวดาจะมีความทุกข์มากกว่าเทวดานี่คือการมาพบพบของผู้ที่ยังติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถั่วอยู่พบของผู้ที่ยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆอยู่อยากดูหนังฟังเพลงร้องลำ้ำทำเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากมีแฟนอยากร่วมหลับนอนกับแฟน นี่คือการเสพกามถ้ายัางติดอยู่กับการเสพกามก็จะต้องมาเกิดในกามาพบถ้าเลิกได้เช่นไปถือศีลแปดได้ไปฝึกสมาธิทําใจให้สงบได้ไม่เสพกามตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะพุทธไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพภพที่ของผู้ที่ได้ฌานสมาธิขั้นต่างๆแต่ก็ต้องเสื่อมลงมา จากพรห ม, มโลกจากรูปภพอารูปภพมาสู่เทวภพจากเทวภพก็จะลงมาสู่ภพของมนุษย์แล้วก็มาเกิดแก่เจ็บตายใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรบ้างรักษาศีลแล้วจะได้อะไรบ้าง ทำบุญทำทานแล้วจะได้อะไรบ้างบางทีก็ศึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลที่ผิดพลาดเนคิดว่าทำบุญแล้วจะร่ำจะรวยอันนี้ก็ไม่ใช่ทำบาปแล้วจะไม่ทำบาปแล้วก็จะได้รับรางวัลก็ไม่ใช่การกระทำเหล่านี้ไม่ได้รับอะไรจากใครทั้งนั้นเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้น ไม่ได้รับรางวัลจากคนนั้นคนนี้แต่บางคนทําบุญหรือไม่ทําบาปแล้วหวังจะได้รับรางวัลได้มาทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยคนที่ทําแล้วบ่นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนี้แสดงว่าไม่รู้เรื่องของการทําความดีว่าได้อะไรบ้าง mm. การทําความดีการทําบุญไม่ทําบาปนี้มันมีผลในตัวของมันแล้วมันทําให้เราได้เป็นเทวดาแล้วเราจะไปหวังอะไรจากใครอีกทําไม แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่เข้าใจก็ไม่รู้ก็จะไม่มีความยินดีที่จะทำบุญที่จะรักษาศีลแต่พอได้มาฟังได้เข้าใจถึงผลที่จะได้รับก็จะเกิดเอธิบาสศีขึ้นมาก็จะตั้งใจทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเคยได้บรรลุโลกุตตะธรรมขั้นต่างๆ ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์ได้พระนิพพานเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะได้ผลตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ขอให้มันศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะเกิดฉันทะเวทยาจิตตวิมังสา ที่จะปรับดันการปฏิบัติให้ไปสู่ผลสำเร็จได้ต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิทิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัปพะโรโควินาสสตุ มาเตภวตอันตารายสุขีทีกายุโกผวะอภิวาทนศิลิศานิจางุฏาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาถ้าจะไม่ถามเองเขียนใส่กระดาษส่งขึ้นมาก็จะอ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสา3รอยี่สิบสามท่านคะ่ะทางยูทูบสอง้อ ทางวิทยุออนไลน์18ผู้มารับฟังบนเขา156รวมทั้งหมด728คนค่ะ uh huh. คำถามจากคุณวัลัยพรค่ะขอคำแนะนำท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าในที่ทำงานเราเจอผู้ร่วมงานที่เจ้าอารมณ์และด่าว่าเราต่อหน้าคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดแถมตวาดเราแป๊ดแป๊ดและซักเราอย่างกับจำเลย แถมบอกว่าจะขออัดเสียงด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้เราเสียกำลังใจและรู้สึกว่าทำไมต้องโหดร้ายขนาดนั้นเราควรจะทำอย่างไรคะคนนี้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่หัวหน้างานแต่เจตนาของเราคือต้องตั้งใจทำงานและทำสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้เราต้องพบปะกับคนหลายรูปแบบด้วยกัน เหมือนรถยนต์บนท้องถนนใช่ไม้มเราเจอมันมีหลายแบบนะรถเกง๋งรถกระบะรถบรรทุกรถอะไรจีปาถะการคนก็เหมือนกันคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีเราต้องทำใจเท่านั้นแนะอย่าไปถือสาเขาเขาจะเป็นยังไงมันเขาเป็นของเขาอยู่นั่นแนะ่ะไม่ได้เป็นเพราะเราหรอกก็ เ, เป็นของเขาอย่างนั้นนิสัยสันดานเขา เป็นอย่างนั้นพอเจอเราเขาก็เขาก็ากสแสดงนิสัยสันดานของเขาออกมาเท่า น, นั้นเองแล้วพูดเจ้าสอนว่าเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของเขาสิ่งที่เราทำได้ก็คือเตรียมรับกับเหตุการณ์เท่านั้นเองอย่าไปถือสาแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยถ้าไปถือสาไปอยากให้เขาดีกับเราพอเ็าไม่ดีกับเราเราก็เลยเสียกําลังใจดัะนั้นเราต้องมาคอยดูใจเราอย่าไปหวังอะไรจากใคร ล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาเขาทำอะไรกับเราพอเรายอมรับว่ามั น, มนเหมือนกับขับรถบนท้องถนนนะใชมีรถหลายชนิดด้วยกันรถสิบล้อรถสิบแปดล้อรถสี่ ล, ลอ้ล 18, ลอรถเกง๋งรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรหลายแบบรูปแบบด้วยกันก็ปล่อยเขาไปใช่หไหมเหมือนกับรถเนี่ยเราก็ปล่อยเขาขับของาไปเราก็ขับของเราไปก็เท่านั้นก็จบนี่เราม ปัญหามันอยู่ที่เราไม่ยอมปล่อยเขานะพยายามจะไปเกาะไปเปลี่ยนเขาเฮ้ยทําอย่างนี้ไม่ได้เว้ยทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาท่านนี้ถ้ายอมรับเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาหรอกเราเฉยๆท่นเองความจริงความผิดความเท็จจริงเป็นอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่คําพูดของใครหรอกถ้าเราไม่ดีตอให้ใครก็พูดว่าเราดีเราก็ไม่ดีหรอก ถ้าเราดีต่อให้เขาว่าเราไม่ดีอย่างไงเราก็ดีของเราอยู่นัะครับขอให้เราดูตัวเราแล้วกันอย่าไปดูคนอื่นดีกว่าถ้าตัวเราไม่ดีก็รีบแก้ไขเสียให้มันดีถ้าไม่ดีดก็ถ้าดีก็พยายามรักษาไว้ให้มันดีมากขึ้นไปแล้วความดีมันจะให้ความสุขกับเราไม่ได้อยู่ที่คําเชิญคาชมเชยหรือคําติฉินนินทาะ ถ้าเรามีความดีแล้วใจของเราจะไม่กังวลกับคำสรรเสริญหรือคำตำหนิตีเตียนของใครงั้นมาแก้ที่ตัวเราดีกว่ามาทำใจของเราให้เฉยให้ได้นะอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นต่อไปกรรนมัสการ์พระอาจารย์ค่ะเ อ, อขาโอกาสถามค่ะหากเราทำบุญปฏิบัติธรรมนะัสมาธิภาวนานะคะแล้ว เราแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้พ่อแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ ะ, อะเอแล้วแผ่ให้แบบเหมือนท่านกําลังป่วยหรือมีความทุกข์อย่างเงี้ยท่านจะได้รับไหมคะเจ้าคะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแผ่เมตตานี้เป็นยังไงแล้วก็แผ่เราจะได้อะไรการแผ่เมตตาไม่ได้ไปรักษาคนไม่สบายเข้าใจไหมคนไม่สบายต้องให้หมอรักษาอต่อให้พระพุทธเจ้ามาแผ่เมตตาก็ไม่หายะ ความเมตตา น, นี้คือให้ให้กำลังใจให้ความสุขใจแสดงความเป็นมิตรกับผู้อื่นแล้วต้องแสดงต่อหน้าเขาไม่ใช่อยู่นับหลังเขาเช่นเ้านอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็นั่งสมาธิสิแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาอันนี้ไม่ได้แผ่นะเป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองว่าเราแผ่แต่เขาจริงเราไม่ได้แผ่วิธีที่จะแผ่เมตตาให้คนไม่สบายก็คือไปหาเขาไปเยี่ยมเขา แล้วก็ไปคอยดูแลรักษาพยาบาลเขาอันนี้แหละเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการนั่งสวดบทแผ่เมตตาอันนั้นเป็นการสวดการสวดไม่ได้เป็นการแผ่การสวดเป็นการฝึกเป็นการสอนใจเตือนใจให้รู้จักแผ่เมตตาการจะแผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันแล้วทำให้ผู้ที่เขาพบกับเราแล้วมีความสุข ถ้าเราทำให้ผู้ที่เขาพบปากกับเรามีความสุขนั่นแหละเรากำลังแผ่เมตตาเช่นเอามีของมาฝากเขาอย่างี้หรือมีคำชมเชยเขาว่าเออวันนี้แต่งตัวสวยเหลือเกินผมภาพวันนี้ดีเหลือเกินพอพูดอย่างนี้เขาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอ น, นี่คือการแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาลร่างกายนี้จะหายหรือไม่หายไม่ดีอยู่ที่การแผ่เมตตาหรือไม่แผ่เมตตา อยู่ที่การดูแลรักษาเข้าใจไหมมีอีกไหมมีคำถามอีกไหมเอาเสร็จรถามเอาให้พอเลยเหมือนเคยไปนั่งพิจารณาค่ะเราเหมือน <c oughs> เหมือนมีอาจารย์ท่านสอนว่าหากเรายัง นั่งสมาธสมาธิยังไม่ยังไม่แข็งแกร่งพออย่าเพิ่งแบบข้ามระดับไปนั่งวิปัสสนาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช่เหมือนยังไม่จบปอตีอย่าไปเรียนปอโทเอาปอตีให้ได้ก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ปโทเพราะมันเป็นมันเป็นขั้นตอนที่ต้องเป็นไปวิปัสสนานี้ต้องมีสมถะมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนอย่งเงยไปได้เราหากเราปฏิบัติทําไปเรื่อย เ, เหมือนเราพยายามทุกวันนี้ก็รักษาสี่ห้าใช่ไหมคะแล้วก็ ทำทานภาวนาแล้วก็เหมือนทำเหมือนอยากจะให้ได้โสดาบานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วอยากทราบว่าเราคือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าศีลห้าเราแบบบริสุทธิ์มากๆไหมบางทีก็เลผลอเผลอมีพูดพูดแบบเพ้อเจออหรืออะไรอย่างงี้บ้างไ่ะเจ้าค่ะก็ศีลห้าก็ให้ดู เ, เวลาเรื่องพูดก็ให้ดูแต่คำพูดปดเป็นหลังพูดเพอ้อเจอพูดส่อเสียดพูด พูดอะไรคําหยาบนี่ก็ไม่รุนแรงเหมือนกับการพูดปดเอานถ้าเกิดบกพร่องในการพูดเพ้อเจ้อบ้างเผลอพูดคําหยาบบ้างก็ไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงร้ายกาจเหมือนกับการพูดปดเอานศีลห้า 5, ขอให้เราดูที่การพูดปดหรือไม่พูดปดฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์หรือไม่รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีหรือไม่เดือดสุรายาเมาหรือไม่ ให้ดูตรงนี้ถ้าเรายังทำบ่ า, บายทาได้บ้างทํายังไม่ได้บ้างก็แสดงว่ายังไม่สําเร็จเหมือนยังเป็นเด็กยังล้มลุกคลุกคานอยู่ยังไม่เดินยังไม่วิ่งได้ถ้าผู้ที่รักษาได้แม้แต่ชีวิตก็ <c oughs> ยอมเสียสละเพื่อรักษาศีลอันนั้นถึงจะเป็นพระโสดาบันได้ยอมตายยอมสละทรัพย์ยอมสล ะ, ะอาวัยวะ ยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลไม่ต้องกังวลทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลาถึงมันถึงเองมันกินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเวลาอิ่มมันก็อิ่มมันถึงเวลามันจะอิ่มมันก็อิ่มเองถ้ายังไม่อิ่มก็ทําต่อไปกินต่อไปถ้ายังยังไม่ถึงขั้นที่เราสามารถรักษาศีลยิ่งได้ยิ่งกว่าชีวิตก็พยายามฝึกจิตไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเอง คำถามจากคุณสุพิมค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะขอคําแนะนําว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเจ็บหัวใจจะทําอย่างไรดีเจ้าคะถึงจะนั่งต่อได้ก็มันเจ็บเพราะอะไรแหละถ้าเจ็บเพราะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องกังวลมันเป็นกิเลสทําให้เจ็บเอก็นั่งต่อไปพุทโธต่อไปดูลมต่อไป ถ้ามันเจ็บทั้งขณะที่นั่งและขณะที่ไม่นั่งก็อาจจะเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหาหมอ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ต้องแยกแยะ ก, ก่อนว่ามันเจ็บเพราะกิเลสหรือเจ็บเพราะ อ, อาพาธถ้ามันอาพาธก็ต้องไปหาหมออย่าไปถ้ามันเจ็บเพราะว่าเจ็บตอนเฉพาะเวลานั่งเวลาไม่นั่งไม่เจ็บเลยเวลานั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่ไม่เจ็บก็แสดงว่ามันเป็นกิเลส อย่างนี้ก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจคิดนูน่นคิดนี่เดี๋ยวอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันก็จะสงบตัวลงคำถามจากคุณดิกกี้ดีค่ะลูกชายฝากถามว่าการที่เราสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วตอนจบจำเป็นต้องสวดบทแผ่เมตตาหรือไม่ก็เป็นการทบทวนไง การสวดอะไรนี่ก็เป็นเหมือนการทบทวนเหมือนเรามีรายการที่เราต้องทบทวนในแต่ละวันว่าวันนี้ไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าเราไม่ตรวจเช็คดูเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราได้ทำหรือไม่ได้ทำหรือเราควรจะทำหรือไม่ควรทำการสวดบทแผ่เมตตาก็เป็นการทบทวนว่าเราแผ่เมตตาหรือเปล่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปเราจะต้องแผ่เมตตาหรือเปล่าอะไรทานองนี้ การสวดนี้เป็นการเตือนใจให้รู้ว่าบทแผ่เมตตามีอะไรบ้างเอเวลาโหนตุ ah u, เราอย่าจองเวรกันนะอาบญปาปชาโหนตุ ah u, เราอย่าเบียดเบียนกันนะอันิคาโหนตุเราอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันนะสุขีอัตานังปริหารันตุเราต้องให้ความสุขต่อกันนะนี่นี่คือความหมายของการแผ่เมตตา ถ้าเรารู้แล้วเราจะทบทวนก็ได้ไม่ทบทวนก็ได้อจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้เอ่ถ้าสวดแบบนกแก้วก็ก็อย่าไปสวดมันสวดแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายว่าสวดอะไรสวดแล้วก็ไปเข้าใจผิดว่ากําลังแผ่เมตตาไปครอบจักรวาลพอไปเจอใครเข้ามาก็ด่าเขาอย่างนี้นไม่ได้แผ่เมตตาน เจ้ากลเขาทำให้เราไม่พอใจก็อย okay. ่าไปด่าเขาให้อภัยเขาอถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาเขาตอบมาว่าเจ็บเพราะกิเลสเจ้าค่ะเฉพาะเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะก็นั่งต่อไปอยู่พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายคำถามจากคุณสุดทางรักสุดทางแล้ว ถ้าเราอยู่เป็นโสดดีหรือเปล่าครับพระอาจารย์ก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนนะถ้าเราชอบโสดก็อยู่ตามโสดมันก็มีความสุขถ้าชอบอยู่สองคนถ้าอยู่โสดมันก็ไม่สุขเะีย่ยก็แล้วแต่เราอะไนี้เราตัดสินใจให้ไม่ได้นะเดีย๋ยวจะมาโทษเราอีกคำถามจากคุณดอกไม้ไม่จำนานค่ะ ภาวนากับนั่งสมาธิเหมือนกันไหมครับคำว่าภาวนานี้เป็นคำรวมมีสองความหมายมีสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถาภาวนาก็คือการนั่งสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นคนละขั้นกันต้องทำขั้นสมาธิก่อน ได้ขันสมาธิแล้วถึงจะขึ้นไปสู่ขั้นวิปัสสนาต่อไปหมดแล้วหะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้ามีก็มาได้เชิญข้าุมสการครับขออยากเป็นถามครับว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีทุกวนันทำบุญสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมเป็นปกตินะครับแต่ว่า ถือสินห้าได้ไม่ครบเช่นอาจจะข้อห้าอาจจะทำไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีหลายข้ออาจจะมากกว่าหนึ่งข้อเนี่ยผมจะทราบว่าสิ่งที่เราทำดีทำบุญขบทมนข้าวัดเนี่ยมันได้บุญไหมครับได้ส่วนดีก็ได้ส่วนเสียก็ได้ได้ทั้งสองอย่างทำอะไรก็ต้องได้รับผลของของการกระทาของเราทำดีก็ได้รับความสุขทำไม่ดีไม่ทำคาททำบาปก็จะได้ความทุกข์ มันเป็นการกระทาที่ไม่มาลบล้างกันคือแยกแยกจากกันใช่กดระบัญชีเออกดระบัญชีเวลาที่จะตายนี่มันจะมาแย่งเอาจิตใจของเราถ้าบัญชีบาปมากกว่าบัญชีบุญบัญชีบาปก็จะดึงเราไปเกิดในอบายถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปมันก็จะดึงเราไปเกิดในสวรรค์ แล้วการที่เราไม่สามารถรักษาสี่ห้าได้ครบนะครับมันจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเป็นตัวเป็นทําให้เราไม่สามารถภาวนาได้ไปถึงจุดที่เราที่ที่ขั้นสูงสุ ด, ส ด, สดหรือเปล่าครับผมก็มีส่วนเพราะว่าถ้าจิตใจเราทําบาปจิตใจเราจะไม่สบายจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งก็จะสงบยากแต่ถ้าเราไม่ทําบาปก็จะไม่มีเรื่องอะไรมาให้เราวิตกกังวล เวลานั่งมันก็จะสงบง่ายแล้วขออีกคำถามนึงครับจะอาจสี่ห้านีที่มีห้าข้อนี่มันมีอความเขาเรียกว่าเลเวลของหนักเบาหนักเบารึเปล่าครับมีข้อที่หนึ่งหนักที่สุดฆ่าสัตว์มากกว่าการฆ่าหนักกว่าการลักทรัพย์การลักทรัพย์หนักกว่าการประพฤติถิ่นประเวณีกกวอเออ การประพฤติผิดต่อแวนินี้หนักกว่าการพูดปลดคือเรียงลำดับตามอะไรตามแล้วใช่ไหมการดื่มสุรานี่อ่าเบาวกว่าการกระทําบาปข้ออื่นๆถ้าดื่มสุราแล้วเมาแล้วนอนไม่ไปไหนก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ไปทําอะไรให้คนอื่นเสียหายแต่ในข้อทั้งห้าข้อนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละข้อมันหนักหรือเบามันเช่น ถ้าเราลักทรัพย์ร้อยบาทกับลักทรัพย์ล้านหนึ่งนี่มันหนักต่างกันเนี่มันก็บางดีก็ต้องเพราะว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบว่ากับการฆ่ามดกับการลักทรัพย์ล้านบาทนี้การฆ่ามดหนักกว่าก็คงไม่ใช่ น, ะ, นะมันพอฆ่ามดนี่มันมันการฆ่ามันก็มีหนักเบาตามตามชีวิตของที่เราฆ่าชีวิตไหนมีคุณค่ามากก็จะหนักมากเช่นพ่อแม่ พรา阿าหันนี่ไปฆ่านี่เป็นหนักมากเพราะท่านมีพระคุณมากแต่ไปฆ่ามดฆ่ายุงนี่มันไม่มีคุณฮะมันก็โทษน้อยอย่างน้ในแต่ละข้อมันก็มีหนักเบาของมันอย่าเอาข้อหนักกับเบาของข้อนั้นมาเปรียบเทียบกับข้อนี้มันไม่ได้นะแต่พูดโดยรวมว่ามัน แ้วถ้าเกิดเราจําเป็นต้องฆ่ามมมแมลงสาบหรืออะไรที่มันอยู่ในบ้านที่เราจําเป็นต้องต้องฆ่า ม, ม า, า, ามันอะ ไ, ไปปรอ<ป>ยรา่างเงี้ยถ้าฆ่าด้วยความจำเป็นก็จะไปเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเดรัจฉานคนข้าวขึ้นไปเกิดเป็นเดรัจฉานใช่ถ้าทําด้วยความจําเป็นถ้าทําด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าทําด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสูรกายถ้าทําด้วยความมาคาดพยาบาทก็จะไปนรกเนี่ย การทำบาปนี่มันมีอยู่สี่เหตุผลด้วยกันผิดเพียงเดียวจะไปรับบาปแบบไหนหนักเบาต่างกันเดลฉานก็เบากับเปรตเปรตก็เบากว่าสุรรกายอสุรรกายก็เบากว่านรกเข้าใจทางที่ดีก็อย่าไปทำมันรักษาสีหน้าให้ดีแค่นี้ก็พอคำถามจากคุณกระตูนค่ะ วิธีพิจารณาขันห้าให้เข้าใจและถูกต้องควรทำอย่างไรคะก็ต้องรู้ก่อนว่าขันห้ามีอะไรบ้างขันห้ามีข้อที่หนึ่งรูปประขันรู ป, ประขันคือร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาไงพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นตายรักนี่เองเกิดแก่เจ็บตายนี่คือคำว่าไม่เที่ยง แล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟเรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนในร่างกายทำมาจากดินแล้วก็จะกลับคืนสู่ดินตัวตนนี้เราไปเหมาเองไปคิดเองว่าในร่างกายมีเราเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นเพียงความคิดที่เราไปตูขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักความเป็นจริงยืนยันอยู่ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องอยู่กับเราสิทาไมมันต้องตายจากเราไปลนะ่ะ ถ้าเป็นตัวเราเรายังเวลามันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันเนี่อเราคือผู้รู้ผู้คิดไม่ตายเนี่ยนั่นนี่คือการพิจารณารูปประขันพิจารณาว่าไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติดมันเหมือนร่างกายของคนอื่นที่เราไม่ถือว่าเป็นของเราเราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมเพราะเราไม่ไปถือว่าเป็นของเรา เราก็อย่าถือให้ร่างกายที่เรามีอยู่ตอนนี้ว่าเป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอ น, นีก้ก็การเพจยรณาลู ป, ประคันเวทนาสัญญาสังขารก็มันมาเป็นพวงมันมาเป็นมาเป็นกลุ่มให้เพจยรณาตัวเวทนาตัวเดียวก็พอเวทนามันก็มีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเอมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์ก็ รู้แล้วก็ปล่อยวางเหมือนปล่อยร่างกายอย่าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวอย่าไปอยากให้มันไม่ทุกข์เพราะถ้าเกิดแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์อันนี้ก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารเิญยาณมาเป็นผ่วงมันทำงานเป็นทีมเนนะไอดูไอ้ตัวที่มันที่เราเด่นชัดที่สุดก็คือไอ้ตัวเวทนาเราติดอยู่กับเวทนานี้ติดสุขเวทนาเกียรติทุกข์เเวทนา เราต้องมาทำความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ไปรักไปชังมันไม่ได้ไปรักไปชังแล้วมันจะทําให้เราวุ่นวายใจอยากให้รักสุขเวทนาพอมันไม่อยู่เราก็ทุกทุกเวทนาไปเกลียดมันพอมันมาเราก็ทุกแต่ถ้าเราไม่ไปรักไปชังเวทนามันมาเราก็ไม่ทุกมันไปเราก็ไม่ทุกนี่คือเรื่องของการพิจารณาขันห้า คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกล่าบพระอาจารย์ค่ะหากหนูไม่มีบุตรจากการคุมกําเนิดเนื่องจากเห็นความทุกข์ของการมีชีวิตถือว่าเป็นบาปไหมคะหนูเคยได้ยินว่าเป็นการฝืนธรรมชาติค่ะไม่บาปหรอกอย่าไปทําแท้งก็แล้วกันถ้าตั้งครรภ์แล้วไปทําแท้งถึงจะบาปแต่ถ้าป้องกันไว้ไม่ให้เกิดนี่ยังไม่บาปคําถามจากคุณพาคินค่ะ ศีลห้าไปไกลสุดได้ถึงขั้นไหนในการปฏิบัติครับอ่าไปสุดตรงไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันก็สุดตรงศีลห้าแหละก็คือรักษาได้ทุกวันทุกคืนทุกเวลาน า, นานทียกเว้นเวลาหลับเนี่ยว่าไปสุดก็แบบนั้นรักษาได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาทั้งเชา้าทั้งเช้าบ่ายเย็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดก็รักษาศีลห้าไดตลอดเวลา แล้วก็ถ้าอย่างสุดๆก็รักษาแบบพระโสดาบันคือยอมตายยิ่งรักษาศีลอย่งกว่าชีวิต เ, เหมือนที่ลูกเสือเขาสอนกันนะว่าเสียชีพอย่าเสียศีลเนียเห็นไหมสัตว์ก็แปลว่าศีลนะสัตว์ก็คือการไม่พูดปวดการซื่อสัตว์ไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นก็เรียกว่าซื่อสัตว์เนีงั้นก็ต้องแบบเป็นลูกเสือรักษาแบบลูกเสือยอมเสียชีพอย่าเสียศีล คำถามจากคุณชาตินีโชคดีที่สุดแล้วค่ะการเห็นอริยสัจในใจของพระโสดาบันต้องเห็นอย่างไรคะก็เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ปล่อยจะปล่อยร่างกายได้ก็ต้องเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเออพอรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยออไปรักของคนอื่นก็ทำไมรักแล้วเดี๋ยวเขาก็เจ้าของก็ก็มาเอาคืนไป เจ้าของของร่างกายคือใครก็คือดินน้ำลมไฟหรือสับปปเป <c oughs> <immigration> ลือกที่วัดนี่แหละก็เป็นเจ้าของร่างกายเราเวลาตายไม่มีใครหนีพ้นสับปลือกนะ เ, เป็นของสับปลือกไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราก็อย่าไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย pues bien, ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปนี่เห็นอริยสัจเห็นว่าทุกข์เพราะไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c oughs> พอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็หยุดอยาก พาหยยุุดอกกกมมัน็ไ่ทคำถามจากคุณปาริชาตค่ะการาที่บุคคลหนึ่งมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์อริยเจ้าแสดงว่าบุคคลนั้นเขาย่อมมีบุญวาสนาของเขาอยู่บ้างใช่ไหมคะก็แล้วแต่บางทีก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะไปเจอท่านโดยเจอแล้วอยู่ที่ว่าเราจะคุยกับท่านรู้เรื่องหรือเปล่า บางคนคุยแล้วไม่รู้เรื่องก็มีอในสมัยพุทธกาลมีคนยนังไปเจอพระพุทธเจ้าไปคุยกับพุทธเจ้าแต่คุยในเรื่องที่พระเจ้าไม่ไม่ตอบก็เลยหาว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรไปถามพวกอาจินไต่พอพระสารีบุตรผ่านมาพบเข้าก็ถามชายคนนั้นว่าเจอพระพุทธเจ้ารึเปล่าพระที่ที่มาเดินมาทางมาข้างหน้าของท่านว่าเจอเจอ ได้คุยกันหรือเปล่าได้คุยกันแล้วเป็นไงไม่รู้เรื่องคุยไม่ได้เรื่องเลยก็เพราะว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะสอนไปคุยในเรื่องที่พระเจ้าไม่สอนมันก็เลยไม่ได้เรื่องถึงแม้ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับประโยชน์นี่มันการเจอไม่ใช่ว่าจะเจอแล้วจะได้รับประโยชน์เจอแล้วเราอยู่เรามีกําลังหรือมีที่ลองรับคําธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า าใจเรายังหลงงมงายอยู่นี่พระเจ้าสอนก็จะมันก็ไม่รับเพราะสิ่งที่เราเช่นคนอยากจะได้หวยเจอพระก็อยากจะขอหวยอย่างเดียวนี่พอจะให้ทำรรมะกก็แบบสายห น, นี้อันนี้ก็ไม่มีภาชนะมาลองรับทำมีแต่โมหะมีแต่ความหลงคิดว่าเจอพระวิเจอพระอริยะแล้วขอหวยได้จะแทงหวยถูกนี่ คำถามจากคุณสุริยะค่ะคนที่ภาวนาจนได้ถึงฌานสีน่นี้จะเปรียบได้ว่าคนนั้นถึงท่านอริยะบุคคลได้หรือไม่ครับหรือเปรียบได้อยู่ในระดับใดครับยังระดับโลกิยะอยู่ยังไม่ได้เป็นระดับโลกุตตะละยังไม่ได้เข้าสู่มรรคผู้ที่จะเข้าสู่มรรคได้ต้องผ่านสมาธิแล้วไปจเจริญวิปัสสนา พิจารณาขันห้าตายรักเนี่ยถ้ากําลังพิจารณาขันห้าตายรักว่าเป็นตายรักเนี่ยกําลังเจริญมรรคของพระโสดาบัณแล้วพอเจริญจนกระทั่งละตันหาความอยากในขันห้าได้ก็จะเป็นพระอริยะขึ้นมาเป็นพระโสดาบัณขึ้นมาคําถามจากคุณเมย์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขามาบอกว่ารักลูก เขาไม่สามารถเลิกรักลูกได้ทั้งที่ลูกบอกให้เขาตัดใจเพราะลูกมีสามีมีลูกแล้วแต่เขาจะขอรอลูกต่อไปลูกจึงบอกว่าคุยเป็นเพื่อนต่อไปได้และเขาเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ลูกบอกให้เขาเลิกทำเขาทาตามหมดเพราะเขาต้องการคุยกับลูกต่อลูกขอถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ลูกทาแบบนี้เป็นบุญไหมคะช่วยให้เขาเลิกอบายมุก หรือเราควรเลิกคุยกับเขาไปเลยดีคะเพราะเหมือนลูกรู้สึกผิดในใจค่ะคือการช่วยเขาทำดีเลิกทาชั่วด้ก็ถือว่าดีแต่เราต้องดูฐานะสถานภาพของเราว่าเราควรจะไปใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับเขามากน้อยเพียงไรหรือไม่เพราะเราเป็นของคนอื่นเรามีสามีแล้วถ้าเราไปใกล้ชิดถึงแม้ว่าจะไม่มีเจตนาทางชู้สาวก็ตาม แต่ในภาพที่มันปรากฏขึ้นมามันอาจจะดูไม่ดีก็ได้อาจจะทำให้การเกิดการแตกเล้าในครอบครัวเราก็ได้เั้นเราก็ต้องระวังทางที่ดีกอ็อยู่ห่างๆดีกว่าอยู่ใกล้ชิดกันไปแล้วเดี๋ยวมันเหมือนน้ามันกับไฟ เ, เดี๋ยวมันมันมีแรงดึงดูดกันเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นพร่มขึ้นมาได้ คำถามจากคุณลีโอคะ่ะสมาธิกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรคะก็ถ้านั่งสมาธิจิตสงบก็จะได้อุเบกขาคำถามสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วถ้านั่งสมาธิจิตสงบก็จะได้อุเบกขาอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยได้ใครจะมาพูดอะไรไมาทำอะไรก็เฉยไม่ไม่สนใจ ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงจากการที่เขาพูดหรือทำอะไรต่างๆเอาแล้วนะอันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด